มันก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมจึงเดือดร้อนประชาชนนึงแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะพวกนี้ชอจะลืมบ้างก็ตอนที่เมาพอเมาไปมันก็ลืมเจ็บลืมป่วยใช่ไหยพอสั่งมาก็ป่วยต่อเดียยเด๋ยวก็ปวดโน่นเจ็บนี่ไล่จับหัวก็ปวดหัวจับแขนก็ปวดแขนจับตัวก็ปวดตัวเนี่ยนะทํายังไงเอาดื่มเหล้าต่อนะข้าไเข้ามา ก, กินอะไรเข้ามากิกนเมาเดือดร้อนมากเชื่อไหมไข้ออกมาไม่เห็นมากตาไม่เล่าให้ฟังร้องไลยนะ แบางทีเป็นญาติซะด้วยสินะเนี่ยมันข้าวเนี่ยนะข้าวแต่ละหม้อที่หุงไปแล้วมันก็กลายเป็นข้าวที่เรียกว่าเคยเห็นไหมหม้อเดียวกันที่หนึ่งก็ดิบอีกที่หนึ่งก็แฉอีกที่หนึ่งก็ไหม่แต่ข้าวประเภทนี้ก็มีนะเวลาหุงเนี่ยนะหุงสุกมั่งไม่สุกมั่งสลับคละเคล้ากันไปมันทานี่เคยบินทบาทฉันแบบประเภทอันนี้ดิบนะอันนี้สุกอันนี้ครึ่งสุกครึ่งดิบนะ น, นี้ดิบข้างสุก ข, ข้างไงนะก็เราก็เห็นละ เพราะฉะนั้นเวลาบริโภคเข้าไปเนี่ยท้องเนี่ยคิดดูนะมีทั้งข้าวดิบข้าวเครื่องดิบเครื่องสุกแล้วก็ข้าวสุกแล้วก็ข้าวไหมข้าวแฉะข้าวแข็งเนี่ยนะแล้วมารวมกันอยู่ในท้องเนี่ยนะยังว่าท้องจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นโรคก็เลยมากขึ้นเนี่ยนะโรคมากพอโรคมากขึ้นอายุมันก็สั้นลงเนี่ยนะจะตายอยู่แล้วใช่ไหมได้เหตุอันสมควรนิดหน่อยหนก็ชวนให้ตายกันเร็วเหลือเกินเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นคือว่ามนุษย์ทั้งหลายที่อายุเสื่อมก็เพราะอุตุและโภชนะเนี่ยนะระบบเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนระอุเพลียเสร็จแล้วก็เย็นอย่าเยือกจนต้องผิงไฟเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ร้อนเราอก ข, ขึ้นมาอกีกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นจะไปไหนไม่เชื่อเดี๋ยวก็อะไรนะ สมมติรเราไปไหว้สังเวชนียสถานนี่เห็นชัดพอลงไปไหว้เนี่ยอุย้ยเหงื่อแตกพลักๆ ล, ก ล, กลกเข้ามาในแอร์เย็นเรื่องผมผ้าแล้วก็ลงไปอีกเหงื่อท่วมแล้วก็ขึ้นมาอีกเนี่ยนะ่โอ้ยทําแมอายุสั้นจะไปไหนเนี่ยนะอายุสั้นแน่นอนแล้วอากาศเป็นขนาดไหนใช่โอ้ยสูดฝุ่นเข้าไปหมดเลยแหละแล้วฝุ่นในจํานวนฝุ่นเหล่านั้นมีอะไรอยู่ในฝุ่นม้างอ่ะนะโอ้ยสรารพัดอย่างเนี่ยนีมันเข้ามาเนี่ยกลับมาที่รา เ, เนี่ยโอ้ยอักเสบเนี่ยถือว่าปกติ นะบมาเอาไปครั้งนี้ไม่อักเสบบอกจะอักเสบได้ยังไงเราฉันยาตั้งแต่ไปแล้วอยู่นั่นก็ฉันยาตลอดตั้งกลับมาก็เลยสบายเลยที่ไหนได้เป็นมาแล้วนะั่นก็เป็นอย่างเงี้ยจาไม่ได้เลยว่าครั้งไหนที่ไปแล้วไม่กลับมาป่วยนะหายากมากนะมันก็เป็นทุกครั้งกันเลยเหมือนกันห้าครั้งก็ป่วยมาห้าทีพอดีเลยเพราะอะไรเพราะอากาศทั้งอากาศทั้งอุตุทั้งทุกอย่างวิบัติแปรปรวนไปหมดนั่นเอง อันนี้ก็คือเพราะอะไรเพราะผู้นําไม่มีธรรมเมื่อผู้ปกครองไม่มีธรรมเนี่ยนะสรรเสริญเรื่องอกุศลกรรมบดเพราะฉะนั้นอย่างยุงยคสมัยปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่สรนเสริญอกุศลกรรมบดมากนะอย่างสมมติประชาชนโดยองค์รวมเนี่ยนะเอาถามว่าถ้าเคยเห็นภาพยนตร์ปล่อยนกปล่อยปลาไหมยังเคยเห็นไหมนะภาพยนตร์ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยนักโทษปล่อยให้ทุกคนเป็นอิสระเสรีบอกไม่ โอ้ยทั้งเข็นทั้งฆ่าทั้งเปลวไฟเนี่ยลุกไหม้ท่วม น, นะครายิ่งกับไฟเอเวจีบอกแนตะ่มีพระเอกคนเดียวเดินออกมาจากไฟนระกได้งไงก็นึกว่าตัวเองจะเป็นคนกลุ่มนั้นใช่ไหม น, น, นะนะเรื่องอธินนาทานเคยเห็นดูหนังโอ้ยมหาเศรษฐีหรือว่าคนนั้นใจบุญทุกคนมีแต่ช่วยกันให้แจกันแบ่งปันกันและกันมีไหม ย, ยากมีแต่การคดมีแต่การโกงอ่ะ น, นะหยิบได้หยิบฉวยได้ฉวยแล้วก็เป็นโอ้ยนะประเภทเที่เรียกว่าทุกคนนะ มีเมตตาต่อกันเพราะคิดว่าบุตรภริยาของผู้ใดทุกคนก็หวงแหนให้อภัยช่วยกันดูแลหรือว่าประเภทการเมรบัตรเร า, าก็เห็นแล้วว่าสมัยที่อากุศลกรรมบทนี้เกลื่อนไปหมดเลยเมื่ออกุศ ล, ลกรรมบทมันเกลื่อนขนาดนี้จะไปไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะอะไรเพราะโดยมากแล้วผู้คนทั้งหลายไม่อยู่ในธรรมก็เพราะว่าผู้นํานั้นไม่มีธรรมไม่ประกอบด้วยธรรมเพราะฉะนั้น ไล่มาทุกระดับชั้นเนี่ยนะไม่มีคุณธรรมเลยมันวงการไ ล, ล้ๆวงการเนี่ยเต็มไปด้วยทุจริริสรพัชชนิดนี่ว่างั้นนะมันก็เทวดาที่ปกปักรักษาจะไปไหนก็ติดเชื้อกันไปหมดแต่ถ้าหากว่าผู้ปกครองมีธรรมถ้าสูตรบางสูตรก็บอกว่าในหมู่มนุษย์มันก็คล้ายๆกับโคนั่นแหละโคเนี่ยนะถ้าหากว่าโคหัวหน้าฝูงพาไปค พวกบริวารทั้งหลายก็ตามคคดไปด้วยฉันใดในหมู่มนุษย์คนที่สมมติถูกว่าเป็นผู้นำอย่างว่สมมติอย่างหัวหน้าครอบครัวขี้เมาเนี่ยนะแล้วบรวิคนในบ้านทั้งหมดจะเป็นยังไงอ น, นั้นไล่ทุกๆองค์กรถ้าหัวหน้ามีปัญหาลูกน้อง ม, มันมีปัญหาไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผู้นำนั้นจึงเป็นสักผู้ที่สำคัญมากนีนะอย่าลืมว่าสตร์ทั้งหลายพร้อมที่จะตามมากกว่าที่พร้อมจะ จะนำเพราะพวกที่พร้อมจะตามนี่จำนวนมากแต่บางคนที่ไม่มีบุญไปนำคนอื่นก็กลายเป็นพวกแตกฝูงไปเนี่ยนะก็อยากจะนำคนอื่นเหมือนกันแต่ไม่มีใครไปด้วยก็เลยไปแต่คนเดียวนะก็เลยกลายเป็นว่าแตกแขนงแตกอะไรไปเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่าพระราชาเนี่ยเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมเมื่อนั้นเสนาบดีอุปราชเป็นต้นทั้งหมดก็จะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมเทวดาทั้งหลายก็ประกอบด้วยธรรม เมื่อเราทวยเทพทั้งหลายประกอบด้วยธรรมพระจันทร์พระอาทิตย์ระบบของคือจิตใจเนี่ยนะจิตใจของประชาชนเนี่ยมีผลต่ อ, ตอโลกไหมมีผลต่อโลกอยู่แล้วพันการระบบการโคโจรการหมุนเวียนของโลกเนี่ยนะก็เนื่องจากกลุ่มกลุ่มมูชนกลุ่มประชุมชนกลุ่มสภัสต ร, ร์ทั้งหลายแม้กระทั่งลมนะถ้าทุกคนโดยมากประพฤติทธธรรมลมก็เป็นไปตามทิศทางของ ลมเนี่ยนะเมื่อลมเป็นไปตามทิศทางของลมวิมานทั้งหลายก็ไม่สะเทือนเป็นต้นเมื่อวิมานไม่สะเทือนเทวดาก็มีกระจิตกระใจจะเล่นนะฤดูก็ย่อมเป็นไปตามการฝนก็ตกต้องตามฤดูการเกลือกูลต่อข้าวกล้าล้วนะที่หวานไปแล้วเนี่ยนะก็ตกต้องตามฤดูการเวลาไหนาควรแห้งควรตกก็เป็นไปตามนั้นทุกอย่างข้าวกล้าก็สุกพร้อมกันมีกลิ่นหอมมีสีงามมี รส อ, อร่อยมีโอชาเนี่ยนะมีโอชะแต่ละข้าวอย่างข้าวปัจจุบันเนี่ยน ะ, ะกลุ่มคนระดับล่างหรือกลุ่มกลุ่มระดับหนึ่งเนี่ยกินข้าวที่เรียกว่าข้าวที่ที่มันแทบไม่มีคุณภาพเนี่ยนะมีแต่คําว่าข้าวไม่รู้ว่ามีวิตามินแร่ธาตุสารอาหารอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบอย่างก็บอกว่าข้าวที่เขาใส่บาตก็เหมือนกันเนี่ยนะบางทีก็บูดตั้งแต่ยังไม่ถันเลยแหละนะก็บางที่บางแห่งเนี่ยก็ทท้องเสียเป็นเรื่อง ปกติเพราะอะไรเพราะข้าวที่เขาใส่บาทมาไม่ใช่ข้าวคนกินอยงนั้นเด้อมันก็หลายๆแห่งก็เป็นอย่างนั้นถามว่าทํำยังไงท่านก็ช่วยเหลือตัวเองหงต้มเองเางอะไรเองเพราะอะไรเพราะว่าอาหารที่ที่ฉันเนี่ยมันไม่มีคุณภาพเมื่ออาหารที่ฉันไม่มีคุณภาพสุขภาพก็ไม่ดีปัญหามันก็เลยเต็มไปหมดแค่ว่าจริงๆแล้วนะในโลกเนี่ยคิดเรื่องตรงไหนตรงนะั้นอะ มีปัญหาหมดอุปทวะโตหมดอุปสักโตหมดมันมีปัญหามีอุปสรรคไปทุกจุดจริงๆอ่ะนะเอาทีนี้เอาย้อนกลับมาหาใจเราก็ไล่ดูมีศรัทธาแค่ไหนก็มีอุปสรรเอกเหมือนกันนะย้อนโลกเนี่ยมันจริงเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งหมดมันถ้ากุศลธรรมเราไม่เจริญเนี่ยนะจริงแล้วทุกคนก็น่าเป็นห่วงแม้กระทั่งใจของเราเองก็น่าเป็นห่วงจะกล่าวไปยายถึงภายนอก การประพฤติเป็นธรรมเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อทุกคนพาการประพฤติธรรมอยู่ในกุศลธรรมรูปทั้งหลายเนี่ยนะในโลกของวัตถุทั้งหลายนี่เป็นเรื่องของรู ป, ปรธรรมกุศลอกุศลอยู่ที่นามธรรมัถ้าหากว่านามธรรมมีปัญหาอย่างเช่นร่างกายของเราถ้าจิตใจมันมีปัญหาเครียดตลอดโทสะตลอดย่อว่าร่างกายจะเป็นยังไงเนเกรงตลอดเลยนะจิตใจเกรงตลอดเครียดตลอดหงุดหงิดตลอด ร่างกายจะทนไหวหรือเนี่ยนะเดี๋ยวก็โรคสารพัดโรคก็จะท่วมทับไหลเข้ามาเบียดเบียนโดยประการต่างๆเพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายก็เพราะว่าในโลกของภูมิที่มีขันห้ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างรูปกับนาม น, นรูปประธรรมและนามมาธรรมก็เ ก, เกี่ยวโยงกันดีชั่วนิวัดกันที่นามมาธรรมถ้านามมาธรรมเร็วๆรูปประธรรมทั้งหลายก็กลายเป็น รูปธรรมที่เลวตามไปด้วยถ้านามามาทำทั้งหลายเป็นสิ่งที่ดีไล้ๆอย่างก็เป็นสิ่งที่ดีอย่าลืมว่าแม้กระทั่งรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมรสอร่อยสิ่งดีมีคุณภาพมีคุณค่าโดยมากจะอยู่ในหมู่ชนผู้มีบุญนะหมู่ชนผู้มีบุญก็จะได้บริโภคในสิ่งที่ดีมีคุณค่าต่อเมื่อมีการประพฤติเป็นรมประพฤติสุจริตธรรมน่นะ พันธะเราสัตว์ทั้งหลายไม่ประพฤติสุจริต ธ, ธรรมไม่ประพฤติเป็นธรรมแต่ละยุคแต่ละสมัยอายุไขก็จะลดลดน้อยไปเพัน้าเราไม่สามารถให้ประชุมชนหมู่สัตว์พากันประพฤติเป็นธรรมได้อย่าหวังว่าอายุจะขยบยืนขึ้นเนี่ยนะก็มีแต่สั้นลงมีแต่ลดลงมีแต่ลดลงบางทีก็ไปเอาใครไม่รู้มาสักคนหนึ่งอายุยืนมาเป็นตัวโชว์สักคนสองคนเนี่ยนะที่เหลือก็อายุอะไร ในวัยเดียวกันเนี่ยใครที่ที่เหลือกับที่ไปเนี่ยไหนมากกว่ากันสถิติเนี่ยนะสมมุติว่าคนที่เกิดในปีเดียวกันเนี่ยนะเอาเอ า, เอาทั้งโลกเลยนะที่ตายกับที่อยู่อะไหนมากกว่ากันมั้งหมอนะสมมุติว่าเอาเกิดปีสมมติเอะไร่ไปเลยตั้งอ่ะเอาปีสองอะไรนะก่อนปีสองพันหรือว่าปีพศเช่นพศห้าร้อยไล่ขึ้นมานะยปีพศห้าร้อยตายกับอยู่ไหนมากกว่ากัน ห้าอหนึ่งตายก็อยู่ไหนมากกว่ากันห้าร้อยสองห้าร้ยสามไล่มาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะเะเอาเรียกว่าเอาตั้งแต่ปีเกิดไล่มาอย่างเงี้ยโดยมวลรวมของโลกเลยนะถามว่าอยู่กับตายไหนมากกว่ากันเนี่ยนะเพราะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าประชากรปริมาณที่เกิดขึ้นมาทีหนึ่งมันจํานวนมากนะีแม่พันก็มากก็เลยดูเหมือนก็นว่าตายน้อยลงแต่จริงๆแล้วระหว่างปีที่เกิดมาเนี่ยก็ ค, ค่อยๆทยอยตายทะลักตาย แต่ว่าสรุปว่าไม่ตายด้วยอุบัติเหตุมันก็แก่ตายวันยังข้ามเพราะอะไรเพราะความตายถือว่าเป็นที่สุดรอบแต่ถามว่าถ้าไม่มีความแก่และความตายพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นในโลกที่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลกก็เพราะว่ามีความแก่และความตายถึงเขาแก่เขาตายเขาก็ไม่รู้ทำเป็นที่พ้นจากความแก่และความตาย นี่ก็เลยว่าถ้าความแก่และความตายมาจากไหนก็มาจากราคะโทสะและโมหะทําให้เกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่และตายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสอุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อจะสอนธรรมที่ตรงกันข้ามกับราคะโทสะโมหะมันถ้าสิ้นราคะโทสะโมหะก็สิ้นการเกิดเมื่อสิ้นการเกิดก็สิ้นความแก่และความตายเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีต่างกันอยู่ตรงนี้ว่าระหว่างวัตตะกับวิวัตตะเพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนามีในโลกเพราะมีความแก่และความตายถ้าโลกนี้ไม่มีความแก่และความตายก็ไม่รู้จะสร้างบารมีมาช่วยช่วยสัตว์ให้พ้นจากความแก่และความตายไปทำไมพระพุทธศาสนามีเพราะปัญหาและอุปสรรคคือความแก่และความตายเมื่อคนไม่อยากพ้นจากความแก่และความตายพุทธศาสนาก็ก็ถือว่าไม่จำเป็นสาหรับประชาชนพุทธศาสนาก็หมดไปจากโลก เพราะศาตว์โลกไม่ได้ต้องการพ้นจากความแก่และความตายเมื่อสาตว์โลกต้องการพ้นจากความแก่และความตายนั่นแหละเมื่อนั้นแหละอะไรนะพระพุทธเจ้าจึงจึงมีขึ้นในโลกและคำสอนของพระองค์จึงแพร่หลายในโลกนี่ะสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน